กับยศธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้จะพูดไปรอดว่าไม่รู้นะ <c oughs> ว่ามันตอนนี้มาเลยจะซากชีวิตเลยนะเนี่ยปล่อยทิ้งมันไปหมดแล้วร่างกายยังไงมันก็กู้ขึ้นมาไม่ได้ละก็เหลือเวลาเป็นช่วงระยะสั้นๆวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นอนะ่ะอยู่ได้วันหนึ่งคืนหนึ่งก็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 ก็อธิษฐานบุญมาให้ผมจิต ใ, ใจที่มีความตั้งใจของญาติธรรมเนี่ยมันมีพลังแรงกล้าเพราะแต่ละคนในมีความตั้งใจแล้วเกินอยากจะให้มีชีวิตยอยู่ได้นานๆมีทุกขเวทนาน้อยลงแล้วบางคนบอกว่าขอให้เดินได้ต่างหาก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 คุณหมอก็อยากจะทำอะไรหลายๆอย่างแต่เราก็ไม่ได้ให้ทำก็อยู่มันไปด้วยอาศัยบุญหล่อเลี้ยง <laughs> ก็คิดว่ามันมีส่วนคนที่มีสุขภาพไม่ดีหรือเป็นชีวิตช่วงสุดท้ายเนี่ยไม่ต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่าง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 แต่ที่รักษากระท่านก็เพราะว่าผมชอบใจท่านใ <c oughs> จท่านมีความตั้งใจดีมีความมั่นคงดีเราก็ยินดีรักษาได้เลยรักษาได้เลยเนี่ยเราถือว่าเป็นหมอดีไม่ใช่มีองค์ความรู้ดี <c oughs> หมอดีนี่สำคัญแล้วก็มียาดี ย, ยาดีนี่ไม่จช่เป็นต้องยาราคาแพงๆเนี่ยเป็นยาสมุนไพรธรรมดา มียาที่มีคุณภาพหน่อยไม่ใช่ของแสลงหมอดียาดีแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ที่สมบูรณ์ไอเรื่องทันสมัยบางทีมันก็ไม่ค่อยทันสมัยแต่ก็พอใช้ได้แล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือผู้ ด, ดูแลดีผู้ ด, ดูแลในี่เยี่ยมเลยนะ คนใกล้ตัวเราเนี่ยอันนี้เป็นองค์ประกอบที่ว่าสำคัญมากเป็นคนมีจิตมีใจที่จะช่วยเหลือเราจริงจากเจ็บหนักมันก็รู้สึกเบาผ่อนคลายเราไปได้ถ้าคนดูแลเราหน้าตาเคร่งเครียดคอยแต่บังคับข่มขูให้ตะกินแต่นั่นกินแต่นี่ไอนี่ห้ามรับรองโรคมันไปได้ไม่นานละเดี๋ยวมันก็ถอย <laughs>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 แล้วก็ต้องรู้จักที่จะปล่อยวางบ้างไม่ใช่ว่าจะต้องให้มันหายเสมอไปมันต้องกล้าได้กล้าเสียอหายก็หายไม่หายก็ไม่เป็นไรเราเราก็อยู่ของเราไปอย่างนี้แหละโลกลร้ายก็ตามถ้าเราตัดความกังวลออกได้เนี่ยโอ้โหมันเกือบมันมันมันหายไปแล้วครึ่งหนึ่งนะเนี่ยตัดความกังวลออกได้ อันนี้ถูกว่าเป็นสิ่งสำคัญนะผมก็ใช้เนี่ยองประกอบมาห้าอย่างเนี่ยอาศัยใจดีเป็นหลักไว้ก่อนสื่ออื่นไม่ดีไม่เป็นไรถ้าใจดีนี่ใจดีเท่ากับเป็นยาดีนะรักษาได้ทุกโรคท้งใจเราใจดีแล้วมันไม่เป็นทุกข์ใจดีนี่ก็คืออาศัยเป็นธรรมะโอสดช่ว ย, ยก็อยู่มาได้อย่างนี้แหละ จิตใจที่ดีแล้วก็สามารถทำงานได้บ้างเล็กน้อยใครมาเยี่ยมมาหาเราก็ไม่ได้พูดอะไรก็ยิ้มให้เขาเขาก็สบายใจโลกเราก็ค่อยๆทุ้เราลงไปด้วยรอยยิ้มเนี่ยมันสื่ออะไรที่มันลึกซึ้งได้กว่าคำพูดจะเล็ดตํำไปตั๋ว <laughs> นี้ไม่ค่อยมีแรงเอาแรงไว้หายใจ <c oughs> ความสำคัญมันคือต้องหายใจบางทีลืมหายใจเคยลืมหายใจไหเราผลลึกไดเเ้เรายังไม่ได้หายใจต้องปั๊มดันหน่อยต้อ ง, ต, องตั้งใจหายใจเลยนะมันไม่งั้นมันลงไม่ลึกะลงแง่นี้ร่างกายก็พิการอ่อนแออยู่แล้วแล้วแถมีโลกล้ายเบียดเบียนแล้วแก่กต่างหากโอหลายอย่างเราก็เลยต้องต้องขยันหายใจหน่อย มีพระกุณเจ้าบางลูกก็บอกไว้แล้วบอกว่าอาจารย์กำพลถ้าอยากจะมีอายุยืนยาวอย่าหยุดหายใจ <c oughs> หายใจเข้าไว <c oughs> เออ้เราจำคำนี้ได้มันหยุดไม่ได้นะักต้องหายใจเข้าไว้ยังไงก็ต้องหายใจเข้าไว้ <c oughs> ตื่นมากลางดึกก็ต้องหายใจเข้าไว้บางทีมันแน่นหนะ้าอกเราหายใจไม่ออก <c oughs> อยาหยุดหายใจเนะี่ยทุกคนก็เหมือนกันนะถ้าไม่อยากตายอย่าหยุดหายใจตายใจก็ไปนะตอนนี้เรื่องของร่างกายก็ประคองอยู่อย่างนี้แหละมันก็อยู่ได้นะวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วก็ภูมิใจแนละ้วไม่ต้องการให้มันดีไปกว่า น, นี้ลนะ้วันหนึ่งคืนหนึ่งใครมาเยี่ยมหมาก็ยิ้มให้เขาดูได้ก็พอนหละไม่ได้พุทธว่าอะไร อายการยิม้มบอกบอกว่านี่แหละคือจิตสดใสแม้กายพิการตัวจริงเราต้องมีอย่างนี้และทีนี้ไหนว่ามางานหลวงพ่อคำเขียนแล้วเราก็อยากจะบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับหลวงพ่อคำเขียนผมนี่เวลาอยู่วัดป่าสุขโตนี่ ไม่ค่อยได้คุยกับหรวงพ่อเขียนมากสุมาหลวงพ่อก็จะผ่านมาหาแล้วก็มาคุยด้วยบางทีท่านก็หาเรื่องจะมาหาเราคือท่านออกจากยาเจ้าจากกุฏิอ่ะออกมันเดินนะมาคุยกับเราวันหนึ่งมันออกพรรษาเนี่ยวันที่ผมออกวันที่ออกพรรษาเนี่ย เราก็จะกลับบ้านแต่เราก็ต้องไปแวะที่วัดธรรมาไฟหวานไปแวะหาหลวงพ่อคําเขียนเปิกกลาเพื่อจะลากลับบ้านออกพรรษาและตอนยูวัดป่าสุกโตไปกับคุณพ่อหลวงพ่อก็เดินมาจากกุฏิเดินมาเกาะที่รถเนี่ยรถคุณฉัดเนี่ยผมอาศัยรถคุณฉั ด, ดรถปิกอัพเก่า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 ฟังแล้วอาจจะไม่ชัดเจนก็ถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อช่วยอธิบายเทคนิคในการดู <c oughs> เราจะทำอย่างไรเนี่ยเป็นคำถามที่ถามครั้งแรกที่เจอหลวงพ่อพ่อบอกว่าทำตัวดูให้เด่นหัวระยะดกายหัวระยะจิต ถ้าทำตัวดูให้เด่นได้เมื่อไหร่แล้วก็จิตจะเป็นวิมุตต์อันนี้เดี๋ยวว่าถ้าเด่นแล้วหลุดพ้นเลยนะโอ้โเพียงแค่นี้เราก็กลับไปบ้านไปไปดูไปฝึกดูอันนี้ครั้งแรกที่เป็นเทคนิคที่ลุงพ่อบอกกับเราแล้วครั้งที่สองเรากลับมาอยู่ที่วัดฝ่าสุกโตแล้ว หลุงพ่อก็จะต้องเดินผ่านกุฏิมันเดิมท่านอยู่กุฏิหลังผมท่านไปทำงานมาลุงพ่อตอนเช้าชอบขุดดินชอบปลูกต้นไม้และมีเสียงลักข้อลักครางเพื่อจะฉันหลุงพ่อจะมาที่หลังไปจันที่หลังให้พระที่ไปช่วยนี่ยไปไปไปไ ป, ไปสาราไปฉันเตรียมตัวฉันนะลุงพ่อก็จะเดินมาที่หลัง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 แล้วมีครั้งที่สามครั้งที่สามนี่คุยกับหลวงพ่อใต้สาราหอไตรหลวงพ่อบอกว่าคำสอนของหลวงพ่อเนี่ยมัน ม, ม, นมีมันมีเน้นอยู่ว่าการเป็นผู้ดูเนี่ยหลวงพ่อจะเน้นมากเลยเรื่องผู้ดูผู้ดูเป็นบทสรุป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 ไม่เป็นอะไรกับไรเนี่ยเป็นมงกุฎแห่งธรรมซึ่งเป็นตัวผลที่เกิดจากผู้ดูอโอ้นี่มันก็นลึกไปอีกชั้นหนึ่งนะเนี่ยเรื่องการฝึกผู้ดูนี่การเจริญสติเนี่ยต้องวางใจเป็นผู้ดูไว้ก่อนอดูกายมันเคลื่อนไหวดูใจมันคิดนึกให้เป็นผู้ดูไว้ก่อน อ, อ, อันนี้ถือว่าเป็นเพชรแห่งธรรมแล้วดูไป น, นานๆเ น, นี่ยจะเกิดผล จนเห็นความไม่เป็นอะไรกับอะไรในภาวะที่เป็นผู้ ด, ดูอืมมันก็ลึกพอาักครู่ไปบอกต่อต่อกันพ่าไปบอกต่อต่อกันนะว่ามันมีแรงพูดแล้วไปบอกต่อต่อกันนะมีน่มาครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายนี่ก่อนที่หลุงพ่อจะอาพาธตอนนั้นอาพาธไปแล้วที่จุฬาแล้วหาย เอาไปอยู่วัดแล้วก็มาเยี่ยมผมที่บ้านที่ชมรมเพื่อนคุณธรรมที่กรุงเทพมาเยี่ยมมาเตือนอาจารย์กำพลอย่าพูดธรรมะนานๆพูดธรรมะนานๆแล้วมันเสียพลังให้พักผ่อนให้มากๆท่านเตือนเอาไว้ตั้งแต่นั้นต้นมาเนี่ยผมไม่เคยชื่อหลวงพ่อเนย ผมก็ยังทำงานผมอย่างนี้นะ่ะเนต่างประเทศพูดตามมาพูดตามมาพูดจนชั่มงครึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็พูดได้นะพูดสุดท้ายมันไอ้ที่หลวงพ่อบอกมันหมดแรงแล้วก็เด้งเด้งเลยก็คือร่างกายทนไม่ไหวใช้ร่างกายเกินความจำเป็นนะ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 มันเหนื่อยจนกระทั่งไม่มีแรงพูดคิดว่าเอคราวนี้เราคงจะต้องไม่รอดแล้วก็ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเสาให้จังหวัดสระบุรีหนึ่งปีเต็มๆโอ้ร่างกายเริ่มแข็งแรงขึ้นนี่ลยก็เลยตั้งใจว่าเอาละนะครับพอเรา ออกจาโรงพยาบาลถึงกันเป็นมะเร็งแบบนี้แล้วคนจะหยุดทันทีเนี่ยอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นครั้งสุดท้ายเลยนะไม่เคยไปพูดที่ไหนไม่เคยพูดเด่นนานขนาดนี้ด้วยก็คิดว่ า, ากาศจะประกาศแขวนใหม่ปกตินักมวยจะแขวนนวมแล้วก็ประกาศแขวนใหม่บ้างละหันว่าคว้ายาดม เพราะมันไม่ไหวเอานะอนุมโมทนาบุญทุกๆต้นที่มาในงานนี้นะก็ขอให้ได้บุญกลับไปมากมายนะครับสาธุ